ไม่ไปเพราะมันได้ย้าจุดนลายฟางํารบิบายในการเดิญกำลฐานสกรูหนึ่งการเจริญพกษมฐานเร็งการสงบจิตด้วยการใช้ปัญญา วันนี้คงไม่พูดยาวเราไม่พูดยาวไรคุณไม่พูดสั้นมันจะยุใย่ในตอนแรกของพเาท่านพุทธบริษัทให้เข้าใจตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการเจริญกาารรมฐานตประกอบด้วยคุณธรรมสามอย่างคือศีลสมาธิปรรัญญาสำหรับศีลสมาธิปัญญานี่ ถ้ามีประกอบพร้อมกันถ้ามีกําลังอ่อนตายจากความมีคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นสมบ้างถ้ามีกําลังไปกลางก็ไปเกิดเึ็นรหมถ้ามีกําลังสูงสุดก็ไปเ น, นิพพานาเป็นการอะไรพวกกรรมฐานจริงๆก็ไม่ส่งใช่รุ่มมากนักในในเบื้องต้น แต่ว่าในตอนต้นของบรรดาเต้นพุธบริษัทอันดับแรกให้ตั้งใจละมัดรวังสินเป็นสำคัญตั้งใจคิดว่าเราจะท่งสินให้บริสุทธิ์นี่ขอนิยพภาวนา <c oughs> และหลังจากนั้นเราจะทรสงสมาธิให้ทรงตัวการทรงสมาธิของบรรดาเต้นพุทบริษัทมีการใช้การภาวนาบ้าง มีการคิดตางใถ่ควรตามรงกรรมฐานบ้างและวการภาวนาก็ดีคําว่าพิจรารณาคืออารงณ์คิดถ้าจะอยู่ในขอบเขตกรรมฐานจริงๆก็ต้องระมัดระวังนิวรณ์ห้าประการนี้เข้ า, ารบ ก, กรนวนใจนิวรณ์ห้าประการนี้เฉพาะเวลาเที่ยวจริงกรรมฐานเท่านั้นระวังมัน ก็มีห้าอย่างคือหนึ่งอารมณ์ความรักในระหว่างเพศสองความโกรธความเกยบาทสามความม้ง่งสี่อารมณ์ผู้สร้าง น, นอกเหนือจากคำภาวนาห้าสงสัยในผลการปฏิบัติแค่เพราะเวลาที่ภาวนาอยู่ยาปล่อยห้าอารมณ์ทั้งห้าประการนี้เข้ามาสิงใจ พิธ ท, ที่ไม่ให้มันเข้ามาสิงใจนี่ก็หมายความว่ารเราไม่นึกถึงมันเสีเลยแล้วต่อไปก็ใช้ปรรัญญาไขกโอนตามความเป็นจริงแต่ความจริงเรื่องปัญญาในบรรดาแต่พุทธบริษัท ต, ต้องใช้ก่อนอันดับแรกก่อนที่บรรดาญาโยพุทธบริษัทจะภาวนาให้ใช้ปรรัญญาไขกโอนตามความเป็นจริงเสีย ก, ก่อนที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าโลกนี้เป็นอนิจจัง หาความเที่ยงไม่ได้คำว่าโลกท่านแปลว่ามีอันต้องทิ้หายไปนั่นก็หมายความว่าสมบัติของโลกทั้งหมดจะเป็นคนก็ดีเป็นใส ก, ก็ดีและเป็นพืชต่างๆก็ดีไม่มีการทรงตัวมีความเกิดนในเบื้องต้นแล้วมีความแปรปรวนในท่ากลางและมีการสลายตัวเป็นที่สุด ขณะใดที่เราอยู่ในโลกเราจะไม่มีความทุกข์จรงไม่มีความสุขจริงมันจะมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวก็จะคันมารดามาแล้วไม่พบความสุขเราจะพบกับความหิวความหิวนี่เป็นความทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายร่ากายเปความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังร่ากายเปความทุกข์ ความแก่เปลี่ยนกายเ็ความทุกข์การพัดพลาดจากของรักของชอบใจเปลี่ยนกายเ็ความทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นความทุกข์ถ้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเราก็ทุกทุอย่างนี้หาความสุขไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจว่าขึ้นชื่อวิากายเกิดอย่างนี้ไม่ควรจะมีกับเราอีก เราควรจะหาความดีที่พ้นจากความทุกข์เรีวยกว่าอธิโมกขธรรมเหมือนกับพระโมคคัลลาและภาษาดิบุตรในสมัยที่ท่านไปดูมรรสครั้งที่ท่านดูมรรสไม่ปีก่นก่อนถึอ <c oughs> งคราวคนจะให้รางวัลก็ให้รางวัลเนืน่องคราวคนจะสนุกสนายก็รื่นเริงไปตามนั้นแต่ว่าวาระสุดท้ายทั้งสองท่านดูมรรสไม่สนุก ขณะที่ดูต่างคนก็ต่างถึมก็คิดในใจว่าคนที่แสดงมรสพทั้งหมดไม่ช้าก็ตายและคนที่ดูมรสพบทั้งหมดรวมทังตัวเราเองด้วยไม่ช้าก็ตายเช่นเดียวกัน <c oughs> ยังไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างตาย <c oughs> แต่คิดว่าถ้าเราเกิดเพื่อตายอย่างนี้จะเกิดทำไมต่อไปในเมื่อความตายมีในโลก ทำที่ทําให้บุคคลไม่ตายต้องมีในโลกเหมือนกันเพราะในโลกต้องต้องมีทังขสองอย่างคู่กันฉะนั้นมาดูมรรสเสร็จทั้งสองคนทั้งสองท่านจึงไม่กลับบ้าน <c oughs> สั่งบริวารคนหนครึ่งหนึ่งกลับบ้านท่านเองบริวารภัยคนหนครึ่งไปสํานักต้นสัในใจปฏิภาชกแล้วก็ในที่สุดไปพบประสาทบุตรฟังธรรมสั้นๆเป็นประโสดาบานัน แล้วในที่สุดถ้าไปพบพระพุทธเจ้าก็เป็นภระหันพ้นจากความทุกข์เกิดปนิทานฉะนั้นคำบรดาใจพุทธริษัชน์ในตอนต้นคืคิดถึงความจริงว่ากายเกิดในโลกอย่างนี้มันเป็นทุกข์ที่เรามาเจริญกรรมฐานนี่เราต้องการพ้นจากความทุกข์พ้นความทุกข์อันดับแรกถ้าไปสูงสุดไม่ได้ถ้านี้ตายแล้วขอไปสวรรค์ก่อนไม่ท่อย่างอ่อนนะ อารมณ์ยางอ่อนหรือไม่เชนั้นเราก็ต้องการไปกรมก่อนท้าที่สุดที่เราไปแล้วจะเราจะไม่ยอมกลับหรือจะหวังกลับไปไปในพานทันทีในเมื่อพ้นจากสว่างก็ดีพ้นจากความโลกก็ดีเราขอปริพาน ท, าทันทีไม่ขอกลับมาอีกเมื่อตัดสินใจอย่างนี้แล้วขอกระดาษให้พุทธบริษัททุกคนคิดว่าสิ่งที่เราจะยึดให้เป็นประโยชน์ นั่นเป็นคุณจริงๆคนเยี่ความทุกข์ได้อันดับแรกคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เราจะยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์นี้ความจริงใจบริการในสองอบายภูมิที่เราจะไปเพราะอาศัยการทำลายสินห้าเป็นเหตุเราจะทรงสินห้าบริสุทธิ์คิดว่าเราจะมัตรลองสินเพียงแค่นี้บรรดาจะพบุตรสัทคิดไว้ก่อนก่อนที่จะภาวนา ตัดสินใจกับนว่โลกนี้เป็นทุกข์เพราะวิธีการ์มันเองเพราะโลกไม่มีอะไรทรงตัวมีแต่วความทุกข์ระการทรงตัวไม่ได้เกิดแล้วกแก่แล้วเจ็บแล้วก็ตายเราต้องการเป็นผู้มีศีลทรงศีลไวสุทธิ์คือการทนทุกข์ แล้วเราก็ต้องการเป็นผู้มีปัญญาเข้าถึงความจริงเห็นว่ามนุษสนโลกเป็นทุกข์เหวโลกภูกมิโลกไม่สุขเพียงเราต้องการพื้นฐานเพียงเท่านี้นะอันดับแรกคิดเพยงเนี้เบาๆก่อน <c oughs> สร้างความเข้าใจเข้างความพอใจเกิดหลังจากนั้นก็ตั้งใจท้าภาวนาและพิจารณาตามปฏิยาสัย <c oughs> สำหรับการภาวนาบรรดาในพุทธบริษัทงหลายเฉพาะกลางคืนเป็นเวลาของสุขวิปัสสโกฉะนั้นเวลานี้บรรดาในพุทธบริษัทจะภาวนาว่ายังไงก็ได้สําหรับท่านหลายที่เคยภาวนามาแล้วทำมาแล้วจากสำนักอื่น <c oughs> ถ้าทําอย่างไหนเคร่ อ, องตัวจงอย่าเปลี่ยนก็าผลการเจริยภาวนายังมีผลเสมอกัน เพื่อการภาวนาถ้าจิตยังรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่รู้คำภาวนาอยู่ถือว่าเวลานั้นจิตว่างใจากิเลสถือว่าจิตทัานลลายพิจารณาที่ตางความเป็นจริงอย่างไรจะหนึ่ตามถ้าอยู่ในขอบเขตเขาทางถือว่าเวลานั้นจิตว่างใจากิเลสต้อ <c> ง <oughs> การเจรินกรรมฐานเราต้องการฝึกให้จิตว่างากกิเลส เวลา20นาทีมันยังว่างจริงๆส้า3นาทีก็ควรจะพอใจเพรามีอันนี้สมูมากสำหรับการภาวนาบรรดาท่านผู้บริษัทให้ยึดลมให้ใจเขาออกเป็นลำดับแรกเจอให้ใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกอย่างนี้เป็นอย่างเบื่อต้นอย่าหยาดหน่อย ถ้าให้ายละเอียดให้ใจเข้ายาวเราสั้นให้ใจออกยาวเราสั้นรู้อยู่ด้วยอย่างนี้ละเอียดตามหลักของมหาปิตาณสูตรขณะใดที่จิตใจเขาบรรดาญาโยพุทธบริษัทรู้อารงณ์ให้ใจเข้ารู้อารให้ใจออกเวลานั้นที่ว่าม yup ีสมาธิในนาปานุสีจอมัทฐานแล้วก็เวลานั้นก็าที่ว่ามีจิตว่างจากกิเลสถ้าว่าท่านอยากภาวนาด้วยก็ควบคู่กับลมให้ใจเข้าออก คำภาวนาที่บอกแล้วให้เลือกแต่อัติยาศัยถ้าท่านผู้ใดไม่เคยใช้คำภาวนามาก่อนให้ใช้คำโพวนาว่าพุทธโธพุทธโธเป็นพุทธานุสิกรรมฐานเป็นกรรมฐานใหญ่มากที่พระพุทธโธอาจารย์รุจนาไว้ว่ากรรมฐานนั่งสี่สิกองท่านถามเองท่านก็ตอบเอง ท่านถามว่ากรรมฐานสี่สิกองนี้กองไหนจเจริญแล้วถึงนไปนี้ไปง่ายที่สุดแต่วท่านก็ตอบว่าพุทธานุสิกรรมฐานไปนี้ไปง่ายที่สุดนี่พุทธานุสิตกรรมฐานเป็นเป็กรรมฐานที่มีคว า, า, ามสําคัญถ้าว่าท่านจะภาวนาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธให้ใจออกนึกตามว่าโธ เวลาหายใจเข้ากอดีหายใจออกกอดีขงมดดาทานพุทธริษัทอยาบังคับลมหายใจให้หนักให้เบาปล่อยไปตามปกติต้องการแค่ว่าเอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าให้ยใจออกเท่านั้นนี่ภาวนาไปด้วยรู้ลมหายใจออกเข้าออกไปด้วยเพือจิตในสมาธิในกรรมฐานกองนั้น <c oughs> แลก้กา็การเจริญกรกรมฐานขงมดดาท่นพุทธริษัท เข้าใจในอากายของปีติห้าวันนี้มีญาติโยมเท่าท่านมาถามท่านไม่เข้าใจท่านค่อยเข้าใจนีม่มันยุ่งเหมือนกันปีติทั้งห้าอย่างย่อมมีอาการต่างกันดังการเจริญกรรมฐานอย่าสนใจกับร่างกายเวลานั้นร่างกายมันจะเป็นยังไงปล่อยไปเรื่องของร่างกายอากายกองปีติห้าคนหนึ่ง หนึ่งขนพองสยองเกล้าพอปีติความอิ่มใจเกิดขึ้นมีผลลุกสู่สาอย่างเรียกปีติข้อที่หนึ่งปีติข้อที่สองน้ําตาไหลเมื <c oughs> ่อจิตมีลงสมาธิอิ่มขึ้นมาถึงขั้นปีติข้อนี้น้ําตาจะไหลขนาดที่มันจะไหลนีล่เราข้ามมัไม่ได้ถ้ามันจะไม่เคลื่อนผ่านไปก็ไหลยี่แบบนั้น ข้อที่สามร่างกายโยกโครโยกไปทางหน้าบ้างโยกไปทางหลังบ้างอย่างที่โยมุ่งเท่าอันนี้จะบอกท่านอายเท่าเน้ข้อที่สี่ตัวลอยขึ้นบนอากาศไม่เหาะนะไปตายกำลังข้อบีติมันลอยขึ้นมาเองแต่ว่าควรรู้สึกตัวลอยเกรงว่าจะกลับไม่ได้มันก็หล่นลงที่เก่าต่หล่นไม่เจ็บหล่นเบามันลงมาไม่ถึงความรู้สึกเจ็บ ปีที่ห้ามีอการทราบสราบคือรู้สึกวร่างกายใหญ่ขึ้นแล้วก็สูงขึ้นแล้วก็นหนักยากถ้าอย่างละเอียดจะมีอาการคล้ายๆกับลมลออะไายจะกกายสู้ซาสู่ซาแล้วในที่สุดกายจะเบามากนี่แปลการอย่างกลางถ้าอย่างสูงสุดจะมีความรู้สึกร่างกายร่างกายไม่เหลือเลยโดยท้งหน้าอย่างเดียวหน้าคนใหญ่แต่ว่าจิตเป็นสุข โความอาการละห้าอย่างใ้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปเราถืออย่างเดียวว่าเวลาภาว น, นาก็ดีพิจรนารณาก็ดีต้องการจริตเป็นสุขอย่างเดียวอาการห้าอย่างนี้เกิดขึ้นมันเป็นปีติคือความอินใจจะสุขมาเมื่อความสุขเกิดขึ้นชาติจิตก็เป็นชาติสมาบัติ <c oughs> ฉะนั้นขอบรรดาทั้งพุทธบริษัทผู้เจริญกรรมฐานให้เข้าใจตาม น, นี้ ข อ, อย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากลางคืนวันนี้ไม่บังคับในการภาวนาเฉพาะสุขธสโกใครคล่องแบบไหนให้ปฏิบัติแบบนั้นเคยปฏิบัติมาจากสำนักไหนภาวนาแบบไหนพิจารณาแบบไหนให้ทำแบบนั้นเป็นที่เพียงว่าอันดับแรกจิตให้ตั้งใจใช้ปัญญาเลยก่อนว่าโลกนี้เป็นโลกแปืนีจังหาความเที่ยงไม่ได้ เมื่อมันไม่เที่ยงเราคิดว่าจเที่ยงมันก็อาจจะมันไม่เที่ยงตามใจเราก็เป็นทุกข์ในที่สุดต่างคนต่างก็ถึงอนัตตาคือสลายตัวหมดเราจะไม่สามารถจะส่งโลกหรือพระโลกนี้ได้ต้องตายเมื่อเราจะตายเราจะไม่ยอมไปอบอายภูมิขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นพื้นขอถือเอาศีลเป็นสรณะนาเป็นกำแพงกั้นอบอายภูมิจิตมุ่งหมายจะเฉพาะจุดเดียวคือผนอิตภัย ตอนนี้ไปขบนันดาแต่พุทธบริสุทธิ์หลายตั้งใจสมาทานขิน ส, าสามสญญาทนานปกับมาัน์พปทิบาทามัติยาไซคอย่าัสได้เวลาิญัญนยัน่อเวลา